การภาวนาเนี่ยเป็นการเอาธรรมะเข้าสู่ใจวันนี้ก็เป็นวันสําคัญเป็นวันที่ธรรมะเข้าถึงใจเป็นวันคล้ายวันธรรมะเข้าถึงใจของพระอัญญาโกลทัญญาวันเพ็ญเดือนแปดเป็นวันพระเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปุมเทศนา กลางเนแปดและเป็นวันที่ธรรมะเข้าถึงใจพระัญญาโกนทัญญาพระอัญญาโกนทัญญานี้ได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกได้เกิดธรรมะจักสุขได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา เห็นอ น, นิจจังละเห็นอ น, นิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่คงทนเห็นความแปรปลว์ปลวนเห็นความเปลี่ยนไปของรูปธรรมของนา ม, มาธรรมพระพุทธเจ้าได้อุทานออกมาโอ้โกฏิัญญาเธอได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอโกฏิัญญาได้รู้แล้วหนอ เนื่องจะว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของพระองค์มีภาษาวอกได้บรรลุธรรมตามเป็นประจักษ์พยานอัญญสิวัตโพโกนัญโยอัญญสิวัตโพโกนัญโยพระอัญญโกนัญญาได้รู้แลวหนอรู้แลวหนอมเป็นคำถามพระอัญญโกนัญญานั้นเป็นหัวหน้าปัญจวัคคี เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าหมู่ในบรรดาฤาษีทั้งห้านั่นแหละฤาษีทั้งห้านั้นมีความเป็นมามีประวัติย้อนหลังความเป็นมาพระอัญญาโกธัญญานี่ท่านเกิดทันสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระเยาว์ที่พระเจ้าสุโธธนานให้พรามไปไทายมหาปริศลักษณะ รามทั้งทั้งห้านั่นแหละพรามทั้งห้าที่เป็นปัญจวัคคีย์มีพระัญญาโกณทัญญะองค์เดียวที่เกิดเกิดทันสมัยไทยลักษณะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ทยเป็นคติเดียวว่าลักษณะของพระพุทธเจ้านั้นประกอบไปด้วยมหาปุริสลักษณะถูกต้องตามลักษณะพยากรณศาสตร์ของตำรับพราหมนั่น นะบุคคลเช่นนี้ต้องได้ออกบวชต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องได้บรรลุธรรมในสมัยนั้นพราหมร์ร้อยแปดเขาจะทายเป็นสองลักษณะบุรุษผู้มีลักษณะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านี่ถ้าอยู่ครองคราวาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะต้องได้ตรัสรู้ธรรม ทายสองลักษณะเขาเรียกว่าทายสองคติแต่พระญาณโกณทัญญาทายคติเดียวว่าพระพุทธเจ้าจะต้องได้ออกบวชจะต้องได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นจึงใช้ความพยายามตามสอดรู้สอดเห็นความเป็นไปความเป็นมาของพระองค์จนพระองค์อายุได้29พ่พรรษาออกบวช เมื่อออกบวชก็ตามบุปผามุท่ามีพราหมณ์ที่เป็นลูกของพราหมณ์ด้วยกันซึ่งพ่อของพราหมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ลมหายตายจากไปก่อนแล้วเนื่องจากว่าอายุมากเหลือแต่ลูกก็เลยพูดฝากลูกว่าเออบุรุษคนนี้เป็นมหาบุรุษถ้าออกบวชเมื่อไรให้ลูกออกบวชตาม เผื่อท่านได้ตรัสรู้ธรรมและจะสอนเราบ้างเราจะได้บรรลุธรรมตามวัปปะพัทธิยะมหานามะอัจฉิเนี่ยในบรรดาลูกของพรามร์ร้อยแปดออกบำเพ็ญอุปธรรมประามีพระอัญญาโกธัญญาเป็นหัวหน้าเรียกว่าปัญจวคีตามอุปธรรมประาพุทธเจ้าไปทุกวันทุกแห่ง คอยดูแลคอยอยุปถัมภะอยู่ในสายหูสายตาทุกระยะทุกวันเวลานาทีพระเจ้าไปบําเพ็นทุกเรียกรรกิริยาแบบไหนประเภทไหนก็ตามในบรรดาการไปลองปฏิบัติ ด, ดูในรักที่ต่างๆเป็นเวลาถึงหกปีก็ไม่มีท่าทีว่าพราะองค์เนี่ยจะได้บรรลุธรรมี่ได้ตรัสรู้ธรรม แม้แต่สํานักของอุทกดาบทอลาระดาบทก็สอนแค่อ ร, รู ป, ปิชาตได้แค่สมาบัติเจ็ดยังไม่ถึงสมาบัติแปดพระองค์ก็ไปเรียนจบในระยะเวลาไม่นานก็ไม่มีไม่เกิดความรู้สึกว่าพระองค์จะได้บรุษธรรมแต่เรื่องความสงบภายในพระทัยของพระองค์นะสงบแนบแน่นถึงขั้นว่าอรู ป, ปิชาตน่ย พิจารณาสิ่งที่ไม่มีสภาวะเป็นรูปเป็นอารมณ์เนี่ยมี จ, จิตใจมีความลึกละเอียดถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพราะองค์ตรัสรู้ธรรมหลังจากตรัสรู้ธรรมแล้วพระรบวาจะสอนคนเห็นว่าอุทกดาบดกับอาลาระดาบดเนี่ยเป็นผู้มีจิตใจละเอียดมากเป็นผู้มีจิตใจละเอียดมากเพราะว่าเหมือนกับไปปิดช่องปิดรูไว้หมดแล้วแหละ ไม่มีกิเลส ท, ที่จะโลอโผลออกมาได้เอาความสงบนั้นนะ่ะไปปิดไปทับไปกดเอาไว้กิเลสแสดงออกมาเพีนผ่านไม่ได้ภายในภายในจิตของอตตระดาบทอรอรรดาบทแต่หลังจากพกระองค์ปรรบเสร็จก็มีเทพธิดาบอกบอกว่าดาบททั้งสองนั้นนะได้รับ สังขารไปแล้วภายในไม่กี่วันนี้เองพระองค์ก็เกิดอุทานอีกโอ้ได้พรากจากประโยชน์อันยิ่งใหญ่ถ้าเผื่อยังมีชีวิตอยู่พระองค์เสด็จไปโปรดพูดสแสดงธรรมยังไม่จบหนึ่งคาถาก็จะได้บรรลุธรรมเป็นคนที่มีทุลีละอองในจิตเบาบางทีเดียวเหมือนกับว่ามีฝุน่นมีละอองมาบังตานิดหน่อยเพียงแต่เอาอะไรไปเขียนนิดหน่อย ตาก็สว่างโร่ขเปนมาจิตใจก็เช่นเดียวกันเป็นผู้มีจิตใจที่ละเอียดจากนั้นแล้วก็ประรบว่าจะไปสอนปัญญกีคืนวันเพลนเดือนหก น, นั่นวันที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นสมาสมพุทธะพระองค์ประรบความเพียรทางใจเมื่อก่อนนั้นระยะก่อนนั้นไม่นานพระองค์ประรบ ว่าจะบังเกนความเพียรทางใจเลยหันมาเสวยพระกยายารเพื่อให้ร่างกายมีกําลังวังชาเนื่องจากว่าการทรมาร่างกายนี่ยรมานหมดแล้วทุกแบบทุกวิธีทั้งอดข้าวอดนอนปอนะฮัตทำยังไงทําหมดทำได้ยิ่งกว่าพรามมนาเรือารีชีชีชรามในในสมัยนั้นสิก็ไม่มี ท, ทีทำอาจะได้มนุษย์ทำก็เลยปรากฏว่าจะทําความเพียรทางใจ เพราะฉะนั้นจึงอยากจะบำรุงร่างกายให้มีกำลังวังชาสักหน่อยเพราะตามที่พวกเราทราบจากพุทธประวัตินั่นนะะองพร้อมโซ้จีนเดินไปไนม โ, โซซักโซเซจะล้มแหลไม่ล้มแหลพวกเลี้ยงคอเลี้ยงอะไรต่างๆเขาเห็นโอ้พระสมนักโคดมเนี่ยสุดสมากนะพอมากเนื่องจากว่าทรมานทรมานกายนะ เราร่างกายสุดซอมขนาดนี้แล้วเนี่ยจะบำเป็นความเพียรทางใจขนาดจะไม่เหมาะ ก, ก็เลยมามาสเสวยพระกายอาหารบัญจวบขี่ก็เลยทอยอย้อใจพระสมณโคตรนี่คลายความเพียรเสรียแล้วปั่านั้นนะเราตัง้งอกตั้งใจว่าจากพระตมวิถา ม, ถามเมื่อพระองค์บรรลุแล้วจะได้ครับได้ยินได้ฟังอัดธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง เลาจะได้รู้ทมตามแต่ตอนนี้ทำให้พวกเราผิดหวังเสียแล้วเป็นผู้คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความมักมากเสียแล้วหลังจากปรารบเสียแล้วกันนีจากพระองค์หนีจากตำบลอุลุเวลาเสนานิคมเนี่ยแคว้นราจเครเนี่ยที่ที่พุทธคยานะไปอยู่นูน่นพาราณศีนู่น อยู่แคว้นพาราณสีอยู่ที่ป่าอิสิปฒนะมฤกษาทยวันอยู่คนละแคว้นทีเดียวอยู่แคว้นพาราณสีพระลึกได้กับพระองค์ก็ตัดสินใจบอกจะไปโปรดเพราะว่าดับบทอุทอกกดบบลาระดาบบทก็ถึงแก่กรรมไปแล้วคนที่มีอุปการะคุณที่มองเห็น ก, ก็คือพระอัญญาโคนทัญญาวัปปะพัทธิยะมานามอัสชิก็เลยตกลงพระทยไป พอไปก็ได้รับกระแสต่อต้านเหมือนกันพอมองเห็นพระองค์ตั้งแต่ยังมาไม่ถึงก็ปราลบกันว่า น, นัพระองค์ใคราคลาความเพียรเพียรมาเพื่อความมากมากเนี่ยตอนนี้มาหาพวกเราแล้วอยู่คนเดียวคงได้รับความความทุกข์ยากลาบากมาหาพวกเราให้ปฐมกาจเสร็จแล้วเอาเถอะเพื่อไม่ไม่ให้พวกเราเสียหนับเสียทีเดียว พวกเราจงตั้งน้ําเอาไว้ปูอาสนะเอาไว้มีความประสงค์จะประทับนั่งก็แล้วแต่พระองค์พระองค์จะไม่ประทับนั่งก็แล้วแต่แต่พวกเราจะปูไว้อย่างนั้นแหละจะไม่พากันวิ่งรับบาววิ่งรับจีวรวิ่งน้าพระบาทอะไรทําเหมือนอย่างที่เคยประทับมัทธรรมเมื่อคราวก่อนนี่คือกิริยาแสดงกิริยากระด้างกระเดื่องกับพระพุทธเจ้า พอพระองค์เสด็จไปถึงใคําที่เคยพูดกันไว้ยังจำลืมใช่ไหว่าจะไม่ให้วิ่งรับบาดวิ่งรับจีวรวิ่งล้างเท้าวิ่งอะไรแต่ล ะ, ะคนหนึ่งก็ไปรับบาดคนหนึ่งก็ไปรับจีวรคนหนึ่งก็ไปตัดน้ํามาล้างพระบาทคนหนึ่งกขาไปนองมือน้อมคอยกราบค่อยบาว้ลืมหมดเนี่ยบุญญาลูกภาพพุทธานุภาพจากนั้นแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าเราได้บรรลุธรรมแล้ว ประมาที่นี่เรามีความประ ส, สะงค์จะแสดงธรรมให้พวกเธอจองตั้งใจฟังแล้วจะากรู้ทั่วถึงในธรรมของเราที่แรกก็ไม่เชื่อแสดงความก้าวกระเดื่องพระงคจะบรรลุธรรมได้อย่างไรในเมื่อคลายความเพียรแล้วเวียนมาเพื่อเป็นผู้มากๆพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยเตือนสติว่าเมื่อก่อนนั้นเราเคยบอกเธอไหมว่าเราได้บรรลุธรรมเธอจงระลึกย้อนหลังดูว่า ทำแบบนี้เราเคยพูดให้พวกเธอได้ยินได้ฟังไหมเท่าที่ระยะเวลาห้าหปีตามอุปธรรมธาเลยระลึกได้ว่าพระองค์ยังไม่เคยพูดก็เลยมีความอบอุนใจว่าน่าจะเป็นความจริงก็เลยต้องทนฟังผุ้ิาก็เลยสมสแสดงพระถมะเทศนาแสดงธรรมไจับ ก, กับประวัตนินาซุนว่าด้วยสุขแห่งจักคือธํา จับคือทำทำรห้จับกับพระวัตนสูตรธรให้รรจากกับพระวัตนสูตรนี่รรกกนสนแสดงถึงสายทางปฏิบัติสายทางหนึ่งตึงเรียกว่าอัตตกิลมัทานิโยโญสายทางอีกอันหนึ่งคือหย่อนยานจนใช้อะไรไม่ได้เรียกว่ากาลสุขาริการนิโยโญและก็สายทางที่กลางกลงเดินไปได้สะดวกสบายและได้รับผลประโยชน์ บรรลุปเป้าตามความประสงค์คือมัชชิมาปฏิปทามัดมีองแปดพระองค์ทรงแสดงเนื้อหาของธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเราไปดูอ่านดูมีทั้งคำบาลีมีทั้งคำแปลดูให้เข้าใจจะทำให้เราได้กําลังใจดีทีเดียวเพราะมีแต่อรรมทั้งนั้นแหละอยู่ในธรรมจักรกับประวัตนาสูตร ท่าพูดถักถึงฐานไม่ควรเดินตึงเกินไปตึงเกินไปคือทรมานกายให้ลาบากเปล่าอัตกิรมถัฐานโยกเพราะบรรดาหรือสีชีไรสมัยนั้นเนี่ยเขาบำเพ็นบำเพ็ญลำ บ, บัดทรมานกายทรมานกายใครสามารถทรมานได้ได้นักกว่าใครเพื่อเป็นการทำให้กิเลสภายในใจในเนี่ยเหือดแห้งไป ไม่ได้ทรมานใจนะเป็นการทรมารกายรู้ที่เจ้าท่านประสงค์ทำมาจนหมดละหมดกำลังหมดความสามารถแหละไม่เห็นมทีท่าทีว่าจะได้บรรลุทำแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการพรสุขคติการนโยกการประกอบตนทวพันในกามการประกอบตนทัวพันในกามนี้ถ้าเราจะมาวินิจฉัยแบบความนึกคิดของเราก็คือกามทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมันเป็นเหยื่อของตันหา มารกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะมันเป็นเหยื่อของตันหาในเมื่อเราเอาการมมาบำรุงบำเรอก็เท่ากับว่าเราเอาอาหาร อ, อันโวยฉับนี่แหละไปบำรุงบำเรตันหาคือความอยากภายในใจภาษาบาลีท่านใช้คําว่าตันหาตันหาแปลว่าความทยานหรือความอยากความอยากไี้มีกิริยาที่จิตของเราเราดูไปที่จิตเราเราจะเห็นกิริยาของความอยาก อยากนึกอยากคิดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีเกิดขึ้นจากสาเหตุต้นต่อของความอยากทั้งนั้นกิริยาที่เกิดขึ้นที่ทำให้เรามาเกี่ยวข้องกับกายที่ทำให้เรามาเกี่ยวข้องกับกับิจกับสิ่งของในกายกับสิ่งของนอกกายกับบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกธาตุเนี่ยเกี่ยวข้องกับความอยากทั้งนั้นในเมื่อเอากามสิ่งที่เป็นวัตถุกรม ไปบำรงบำเรากามเหมือนกับเอาอาหารอันโอชะไปใส่ให้มันเหมือนกับเอาปุ๋ยยี่ห้อดีๆสูตรดีๆไปใส่ต้นไม้หวังจให้ต้นไม้ตายมันไม่มีทางตายแหละมันมีแต่จะเจริญงอกงามได้อย่างรวดเร็วนี่คือย่อนเกินไปก็ไม่ใช่ทางโอกาสที่จะทําให้กิเลสภายในจิตของจิตดงนั้นเนี่ยเื้อแห้งหายหมดไป ไม่มีโอกาสแล้วนเะนื่องจากว่าเท่ากับว่าเอาปุ๋ยไปใส่มันเสร็จแล้วก็อัตกิลานุธรมฐานนุโยก็คือทรมานกายโดยที่แท้จริงกายนี่เป็นผลผล ข, ของใจกิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใจมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่กายกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจด้วยเหตุที่กิเลสเกิดขึ้นที่ใจมีที่ใจนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้เราได้พบได้ฌาติ แล้วก็ได้รูปได้ร่างได้รูปธรรมได้นามธรรมขึ้นมาได้ครองปัญจขันธ์อันนี้ไม่ครองปัญจขันธ์ น, นี้ก็เพราะว่าจิตมีกิเลสปัญจขันธ์คือขันธ์ห้านี่เป็นผลผลของกิเลสเป็นกรร ม, มวิบากของกิเลสมันเป็นผลกรรมที่ตามสืบเรื่องมาเราดูไม่ยากเราดูมาที่ตัวเราตัวเราทุกๆคนเนี่ย เป็นกรร ม, มวิบากอันเป็นผลผลของกิเลสมันเป็นผลผลของกิเลสเป็นผลผลเกิดขึ้นจากอำนาจของความอยากเนี่ยความอยากของจิตมันดิ้นรนสอบนุนสแสวงนี้หาโนนหานี้ในสุดมันก็เกิดช่องเกิดโอกาสทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลง เ, เกิดรูปเกิดนาเกิดไรตร่อไรสารพัด มีคืออักิลาโมทานุโยในเมื่อเราไปทรมานกายกิเลสไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสอยู่ที่จิตก็เลยเป็นทางผิดถ้าเราจะพูดแบบภาษาตรงตรงตร ง, ตรงเป้าที่สุดอักิลามทานุโยทรมานกายคือทางผิดการมาสุขานิการุโยคคือทางทางผิดทั้งสองทางนี้เป็นทางผิดคําว่าทางผิดเนี่ยไปสู่ เป้าหมายไม่ได้สมมติอย่างกรุงเทพมันอยู่ด้านตะวันตกเนี่ยเราเดินมุ่งหน้าไปทางตะวันออกนั่นน่ะคือเดินผิดทางไปแล้วแต่ในใจรำพรึงรำพันว่าเราไปกรุงเทพเราไปกรุงเทพยิ่งก้าวเท้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างกรุงเทพไปเท่านั้นนี่เขาเรียกว่าทางผิดเหมือนอย่างเราไปหนองอ้อนเนี่ยต้องการจะกลับหนองอ้อแต่ในขณะเดียวกันเราหันไปทางหนองบพูน่น เรากลับบ้านเรากลับบ้านยิ่งก้าวเท้าไปเท่าไรก็ยิ่งห่างบ้านไปเท่านั้นอันนี้เขาเรียกทางผิดมัชชีมาปฏิปทาคือทางสายกลาง น, นั่นแหละอันนี้สันความเป็นทางตรงเป็นทางถูกเป็นทางตรงเป็นทางสายกลางคําว่าถูกคาว่าตรงน่นะคือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อหัดล้างกับกิเลสได้อย่าง อยากได้ผลแน่นอนทีเดียวนี่ทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องท่านว่าเป็นทางสายกลางในเมื่อท่านใช้คาว่าตึงเกินไปหย่อนเกินไปแล้วในภาษาคำพูดในภาษาอุปมา อ, อุปมาอุปหมายในเมื่อสายหนึ่งตึงเกินไปสายหนึ่งหย่อนเกินไปสายที่ถูกต้องที่สุดก็คือต้องเป็นสายกลางสายหนึ่งตึงเกินไปสายหนึ่งหย่อนเกินไป สายนี้มันไม่ถึงไม่หย่อนเป็นสายกลางกลาดคำพูดนี้เป็นคำพูดอุ ป, ปอ ม, มาแต่แท้จริงคำพูดนี้ข้อปฏิบัติของคำพูดนี้เป็นการสอนถูกเป็นการสอนตรงเพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าที่เราต้องการได้ผลอย่างเต็มเปี100่ยมร0อเซนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาจึงประกอบไปด้วยองค์8 สมาทิฏิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อสรุปแล้วก็ได้แก่ศินสมาธิปัญญาสมาธิฏิสัมมาสังกปเป็นเรื่องของมาเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวเป็นเรื่องของของสินสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินึ่เป็นเรื่องของสมาธิเริ่มต้นด้วยปัญญา มาทำกลางในข้อขอ ง, ของมัมมองเป็นเริ่มด้วยศีลและอีกสามข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของสมาธิรวมแล้วคือศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี้จะส่งพลังส่งช่วงให้แก่กาและกันศีล ส, ส่งช่วงให้กับสมาธิสมาธิส่งช่วงให้กับปัญญาเร า, าเห็นว่าความปรารถนาคือเราปรารถนาปัญญา ทำไมเราจึงปรารถนาปัญญาเพราะปัญญาเนี่ยเป็นความรู้เพื่อที่จะสอบแสวงหาสาเหตุต้นต่อของการเกิดของการตายของกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต้องอ า, อาศัยปัญญาเนี่ยไปสอบไปรู้เหมือนอย่างหลักทิฏยาการทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือความนึกความคิดที่จะมาสอบ สอบนุ้นสอบนี้พิจารณาเหตุอย่างนี้แล้วก็ย้อนมาที่ผลพิจารณาผลอะไนี้แล้วก็ย้อนไปที่เหตุสอบไปสอบมาวิจารณ์ไปวิจัยมาก็จะทำให้เราทราบข้อเท็จจริงได้ที่เราต้องอาศัยปัญญาแต่ปัญญาภายในจิตมันสงบไม่ได้เพราะมันมีตัวที่พาให้จิตมันดิ้นตัวที่พาพาให้จิตดิ้นก็คือกิเลนนั่นเองกิเลนนี้ถ้าเราจะว่ายชัดเจน ไปมากกว่านี้ก็คือตัณหาตัวความอยากภายในจิตนั่นแหละเพราะตัณหามันดิน้นดิ้นผิดดิ้นถูกนี่แหละทำดีบ้างทำชั่วบ้างได้รับผลก็คือสุขบ้างทุกบ้างทำให้จิตเศร้าหมองเป็นส่วนมากทำให้จิตผ่องใสนิดๆหน่อยๆพอเป็นเครื่องล่อใจเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเป็นเหตุทำให้จิตใจเราเศร้าหมองท่านจึงใช้คาว่ากิเลสกิเลส กิเลสแล้วว่าความเศร้าหมองแห่งจิตนะความเศร้าหมองแห่งจิตมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไงในเมื่อตัวพิษตัวภัยภายในของจิตนั่นะมันร้านออกมามีแต่พิษเถภัยมาทำให้จิตคือธาตุรู้คือผู้รู้เนี่ยต้องวิ่งตามมันอยู่ทุกระยะทุกวันเวลานาทีทุกขณะจิตเนี่ยจะเอาความสงบมาจากไหน โอกาสที่จะเราจะย้อนไปพิจารณาเพื่อให้เห็นต้นต่อของข้อเท็จจริงคงเป็นไปไม่ได้จึงจําเป็นจะต้องมีสมาธิสมาธิในกาน้นปัญญาทีนี้สิ่งที่ควรสมาธิทําให้จิตสงบไม่ได้ขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเพื่อตัด ก, กําลังของกิเลสท่านจึงให้เรามีศึกมีศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นเครื่องกํากับกายให้สงบระงับ เป็นเครื่องกำกับวาจาให้สงบระงับคือกิเลสเนมันผลักดันมาจากจิตมันผลักดันออกมาที่กายกายแสดงกิริยาออกมาจากกิเลสก็คือเอากายนีย่มาทำกายกรรมมาฆ่าศัตร์มารักทรัพย์ไม่มาประพฤติผิดในการจากนั้นแล้วก็ทลักออกมาทางวาจาทลักออกมาวาจาเขามาพูดเท็จพูดอยาพูดส่อเสียดพู ด, พดเพอ้อเจอ้อ อันนี้คือกิริยาของกิเลสที่มันทะลักออกมาทางกายออกทะลักออกมาทางวาจาท่านจึงให้สงบระ ง, งับกายซะด้วยข้อปฏิบัติอืไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาบไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียนไม่พูดเพย์เจอเพื่อไม่ให้มันทะลักออกมาทางวาจาเมื่อเราสงบระ ง, งับเพตุที่เกิดความกระทบเถื่อนทางกายได้กายก็สงบ งับเหตุที่มันบกวนมาทางวาจาได้วาจาก็สงบที่นี่เราก็พยายามทำความสงบโดยเฉพาะสงบที่จิตสงบเฉพาะที่จิตการสงบเฉพาะที่จิตเนี่ยคือการพยายามไปปิดช่องความนึกปิดช่องความคิดไม่ให้มันคิดเรื่องนั้นไม่ให้มันคิดเรื่องนี้ให้มันมาคิดอยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียว เพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คําว่าให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวตอนนี้มันมาเข้าหลักของภาวนาะแล้วจะอย่างเราภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอันนี้เป็นอารมณ์คําว่าพุโทโธนี่เป็นอารมณ์เราเอาพุโทโธนี่มากํากับที่ใจมีสติกำกับมีสัมปชัญญะกํากับสติกับสัมปชัญญะนี่ถ้าเขาประกอบกันจนแน่นแฟนแล้วกลายเป็นตัวปัญญาขึ้นมา เป็นปัญญาขั้นรักษาตัวรอดนะไม่ใช่ปัญญาเพื่อที่จะขุดค้นขั้นมูลฐานของสมุททยที่แท้จริงแต่เป็นการรู้ตัวสติคือความรลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเจ้าของกำลังภาวนาอยู่กำลังบริกรรมอยู่กำลังทำให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวอยู่นี่เราก็ภาวนารากบริกรรมเพราะฉะนั้นศีนจริง จึงหมุนสมาธิศีลจึงหนุนสม า, สสมามธิพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนสอนให้เรารักษาศีลเพราะศีลเนี่ยมันทําให้กายของเราปกติทําให้วาจาของเราปกติความนึกคิดในจิตเนี่ยยังยังเหมือนกันกับคนที่กับคนทั่วๆไปเพราะว่ากิเลสมันเกิดที่จิตมันอาจจะนึกจะคิดร้อยแปดพันสารพัดเนี่ย นึกโลภนึกโกรดนึกราคะนึกตัณหานึกอะไรสกพักแต่ถ้ามันไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจามันก็ยังไม่เกิดโทษคนอื่นก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกิดโทษกับคนนั้นไม่เกิดโทษกับคนนี้แต่มันเกิดโทษที่ตัวข้อตัวมันเองนั่นแหละเกิดโทษที่ที่จิตที่จิตเองนึกคิดไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการ ม, มากๆเข้าการก็สังสมกันเป็นวิบากกรรมอ่เป็นเหตุเปลิดเพไปในทางที่ชั่ว ชั่วช้าถ้าคิดถึงเรื่องรามมากมากหนักหนักข้าวก็ต้องไปแสดงกิริยาให้ทะลุทะลวงทะลักออกมาทางกายได้ทางวาจาได้มีกิริยากิริยาของศีลเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าศีลนี่ทําให้กายปกติไม่เอาไปทำำํากรรมไม่เอาไปทำำํากรรมชัว่ววาจาปกติเอาวาจาเนี่ยไปพูดชัว่วเมื่อไม่มีเหตุ ให้เราต้องเร่าร้อนเกี่ยวกับเรื่องกายชั่วเหตุที่จะทําให้เราต้องเร่ารเร้อนเกี่ยวกับเรื่องวาจาชั่วเราก็สงบขั้นหนึ่งมันไม่ไม่มีเรื่องที่จะมากอ่อกวนจิตให้ต้องคิดเรื่องผิดศีลเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะทลักออกมาทางกายทลักออกมาทางวาจาจิตก็สงบระงับขั้นหนึ่งทีนี้เราก็ไปทากับให้จิตได้รับความสงบ พู้ภาวนาทาจิตให้รับความสงบให้เขาสงบอยู่บอารมณ์อันเดียวถ้าเราเอาตามหลักที่ตาท่านสอนท่านบอกว่าไม่ให้ทิ้งคำบริกรรมคำบริกรรมนั่นแหละเป็นคำราพึงรำพันถึงอารมณ์คือเอาอารมณ์เ น, น, นี่ยมัดจิตคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับจิตถ้าเรียกต่ใช้คำว่าอารมณ์อารมณ์ คือสิ่งที่จิตไปผูกพันหรือสิ่งที่มาผูกพันกับจิตจิตของเรานี่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรอันนั้นแหละที่เรียกว่าอารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับรูปรูปนั้นเป็นอารมณ์เกี่ยวข้องกับเสียงเสียงตัวนั้นแหละเป็นอารมณ์ A R M. อะไรก็ตามที่จิตมันไปเกี่ยวข้องผูกพันสิ่งนั้นที่เรียกว่าอารมณ์ A R M. ทีนี้เราเอามาภาวนาเราก็เอามาบริกรรมคําว่าบริกรรมแปลว่าทําซ้ําๆ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธระลึกซ้ําๆแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีสติกํากับมีสัมปชัญญะกํากับสติเกิดขึ้นจากจิตสัมปชัญญะเกิดขึ้นจากจิตสติกับสัมปชัญญะเป็นอาการของจิตเป็นอาการของจิตสติกับสัมปชัญญะเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของจิตมีคุณสมบัติทําให้ ตื่นทำให้รู้ทำให้ตื่นรู้อะไรรู้ปัจจุบันทำให้ทำให้จิตตื่นตื่นอยู่กับปัจจุบันจิตไม่หลับคือจิตตื่นถ้าเราจะเทียบกับความสว่างก็คือมีความสว่างรอบตัวเองนเมื่อตื่นอยู่ก็ทำให้จุดจุดนั้นน่มีความสว่างทั่ว เพราะตื่นอยู่ถ้าจะเราจะเทียบก็บเหมือนดวงไฟที่ไม่ดับในเมื่อไม่ดับตื่นอยู่ก็เท่ากับว่าบริเวณนั้นจุดนั้นสว่างทั่วอันนี้คือการที่จิตภาวนาเอาสติมากากับเอาสัมผัจันรมากากับกำกับคำบริกรรมกำกับคำบริกรรมจิตคือสภาพที่นึกที่คิดทีนี้เราก็เอาเอาภาวะของ สตินี่แหละไปกำกับเอาภาวะของสัมปชัญญะเนี่ยไปกำกับเพื่อให้จิตเกาะอยู่กับอารมณ์อย่างเช่นว่าคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตก็เกาะอยู่กับอารมณ์การที่เราบริกรรมบริกรรมบทธรร ม, รรรมคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเนี่ยถ้าเราจะเทียบก็ไม่ต่างอะไรกับเรารับประทานอาหารทางกายแต่เป็นการ รับทานอาหารทางใจการทําทแบบนี้เราใช้คําว่าเอาทำเข้าสู่ใจบริกรรมเข้าไปบริกรรมเข้าไปเหมือนกับเราใส่ปากแล้วกลืนเข้าไปใส่ปาแล้วกลืนเข้าไปเราดูอุ ป, ปมาไปที่ที่ปากของเราที่ท้องของเราเรารับทานเข้าไปใส่ไปเท่าไรใส่คําเล็กคําใหญ่ใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยก็เพาะก็จะเต็มขึ้นมาเรื่อยเต็มขึ้นมาเรื่อยเต็มขึ้นมาเรื่อยไหนสุดก็เต็มใส่ไม่ได้ เราก็เรียกว่าอิ่มอิ่มใส่ไม่ได้แล้วเต็มแล้วอิ่มแล้วเมื่อเรารับทานอาหารอิ่มเพราะอิ่มแล้วมันก็ไม่หิวมันไม่หิวใจของคนเราที่มันไม่อยู่มันโดดมัน ด, นนดินนึกคิดไปนนึกคิดไปดีเพราะใจมันหิวใจมันหิวเราอย่าคิดว่ารูปเป็นอาหารใจเสียงเป็นอาหารใจกลิ่นเป็นอาหารใจ การสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งนิ่มนวลสัตว์ขนาดไหนก็ตามเราอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านะั้นเป็นอาหารใจไม่ใช่อาหารใจไม่เชื่อเราลองปล่อยจิตให้ล่องลอยไปกับรูปนั้นกับเสียงนี้กับสัมผัสนั้นกับสัมผัสนี้จะให้จิตอิ่มพอไม่มีอิ่มพอเพราะฉะนั้นการที่เราส่งใจไปตามอำนาจของเกลียดจึงไม่มีการอิ่มพอเพราะความริ่นรอนของจิตนั่นแหะ มันเป็นการดิ้นรนตามอำนาจของกามเป็นอำนาจของตันหามันมีมากมายมหาศาลยิ่งกว่าแม่น้ำในมหาสมุทรมากกว่าน้ำในมหาสมุทรท่านจึงใช้คำว่านัตติตันหาสมาธิแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีจะให้มันสงบได้ยังไงถ้าเราจะเทียบก็บเหมือนกับว่าเราเอาเชือกของไฟไปใส่ไฟ ยิ่งใสไปเท่าไรแบบไม่หมดจากไฟกองเล็กๆเนี่ยเอาเชื้อมากๆยิ่งโยนใส่ไปเท่าไรกับยิ่งเป็นไฟกองใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่มีจุดจบเนื่องจากว่ามันเป็นเชื้อของไฟวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายมันเป็นเครื่องดึงดูดของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจยิจ่งเอาเรายิ่งเอาวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายเนี่ยไปล่อใจใจก็ออกมากินทันทีเพราะเป็นอาหารอันโอดฉับของมัน เอามาให้เท่าไรก็ไม่รู้จัอิ่มไม่รู้จักพอไม่มีความพอไม่มีความอิ่มไม่มีความพอเี่มันไม่ใช่อาหารของใจอาหารของใจก็คือต้องเอาธรรมะมากำกับที่ใจบริกรรมไปบริกรรมไปเอาสติสัมผัสันยักกำกับเข้าไปกำกับเข้าไปเขาจะเริ่มอิ่มเพราะจิตที่แรกมันไปด้วยอำ น, นาจของความอยากคือตัณหาคือความอยากแต่ความอยากนี้มันก็เป็นกิริยาที่เกิดจากจิตอีกเช่นเดียวกัน สติก็เกิดจากจิตสามัญชนก็เกิดจากจิตความอยากก็เกิดจากจิตเกิดจากจิตจิตคือผู้รู้จิตคือธาตุรู้แต่ธาตุรู้อันนี้เป็นธาตุรู้ที่ไม่เป็นเอกเทศเป็นธาตุรู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นธาตุรู้ที่เคลือบแฝงไปด้วยด้วยพิษด้วยภัยคือกิเลนั่นแหละเนี่ยมันเคลือบแฝงด้วยพิษด้วยภัย เราจะให้จิตบริสุทธิ์มันจะบริสุทธิ์ไม่ได้จะให้จิตสงบมันจะสงบไม่ได้มันต้องมีกิริยาความอยากแสดงออกมาในเมื่อเรามีสติแทนที่เข้าไปความอยากก็เกิดขึ้นไม่ได้เรามีสัมผัจันทรแทนที่เข้าไปความอยากก็เกิดขึ้นไม่ได้นะจิตก็ เ, เลยสงบเมื่อก่อนนั้นเคยเอาพู้รู้นี่โดดดิ้นไปนู้น ด, ดิ้นไปนี่สง่สงไปนู้นส่งไปนี่ ตอนนี้มันไปไม่ได้มันถูกสติกำกับสัมผัสยักกำกับไปไม่ได้มีคนคอยจ้องคอยดูคอยกำกับจะออกไปไม่ได้ในที่สุดผู้รู้ก็เริ่มสงบผู้รู้ก็เริ่มสงบคือใจเริ่มสงบใจเริ่มสงบในความสงบนั้นมันมีความสุขในความสงบนั้นมันมีปีติปีตินี้ถ้าเราจะเทียบกับกายก็คือมันอิ่มนั่นเอง ลองทำดูให้ให้ได้รับปีติลองดูอปีติเกิดขึ้นที่กายมันมีความอิ่มเอิบปีติเกิดขึ้นที่จิตมันก็มีความอิ่มเอิบเกิดขึ้นที่จิตความอิ่มเอิบของจิตสามารถอิ่มเอิบมาถึงกายเราย้อนมาที่กายของเรามันอิ่มอิ่มจริงๆเนื่องจากว่าจิตเราอิ่มมันก็เลยทําให้กายในอิ่มมันอิ่มมันเป็นยังไง เราดูไปแล้วมันดิ่งไปที่หัวใจนั่นแหละแนวมันดิง่งมันอิ่มจิตมีที่อยู่จิตมีอาหารดูดดื่มจิตแทนที่จะได้รับกระแสความฟุ้งซ่านของตันหาแต่จิตกลับได้อาหารดูดดื่มคือความสงบคือความสุขความสงบกับความสุขเนี่ยทำให้เหมือนกับเราอิ่ม อิ่มกาอิ่มใจความอิ่มกายอิ่มใจเนี่ยทาให้เราได้รับความสงบทําให้เราไ ด, ได้รับความสุขนี่พอมาถึงตรงนี้แล้วจิตเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่บริกรรมเราจะไม่บริกรรมเราทิ้งคําบริกรรมเขาก็ไม่ไปทําไมเขาไม่ไปก็เพราะว่าเข า, เขาได้อาหารที่ที่ดีคืออาหารคือความเ อ, อิบอิ่ม อาหารคือความสุขความอิ่มกับความสุขอันนี้เนี่ยมันมีผลที่ยิ่งใหญ่กว่าเราปล่อยจิตให้ให้ให้เขาไปไปพอยใจกับสิ่งข้างนอกไอ้ที่เราเคยเห็นรูปนั้นชอบช อ, บชอบมันตกไปแล้วแหละมันมีรสชาติสู้โอชาของธรรมะที่อยู่ภายในใจไม่ได้โอชาภายในใจดีกว่าอิ่มเ อ, อิบมีความสุขไม่ก่อควร มันไม่ก่อขวนจิตไม่ก่อขวรคิตด้รับความสงบนี่เกิด ค, ความสงบแล้วตอนนี้พราจิตเราเริ่มสงบเพราะว่าตัณหามันแสดงออกไม่ได้คํำนี้ลงตาท่านแสดงอยู่บ่อยครั้งท่านบอกว่าจิตสงบเพราะกิเลสสงบคือ ก, กิเลสมันมาก่อขวนจิตไม่ได้จิตก็สงบเขาสงบแล้วก็มีปีติมีอาหารมีโอชัดมีอาหารามาหล่อเลี้ยงจิต จิตได้หลักจิตได้ฐานจิตได้ความสงบสงบหนักหนักสงบนานนาสงบบ่อยครั้งเข้าทําให้จิตตั้งมัน่นตั้งมั่นมีพื้นมีฐานเป็นของตัวเองมีพื้นดีมีฐานดีเมื่อมีพื้นมีฐานดีแล้วนี่เหมือนกับเราจะทํางานอย่างใดอย่างหนึง่งเรามีที่เหยียบพอที่จะทํางานได้อย่างแข็งแรงมันง่นคง เราสามารถจะทำงานได้ได้เต็มที่เมื่อจิตเราสงบมีพื้นมีบาทมีฐานเป็นของตัวเองแล้วเราจะเอาจิตซึ่งเป็นสภาพที่รู้นีแ่แหละมาพิจารณาคลี่คลาย s o ส t ซองเข้าไปดูถึงสาเหตุต้นต่อสาเหตุต้นต่อของอะไรสาเหตุต้นต่อของกิเลสนั่นแหละกิเลมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นที่ไหนมันดับไปที่ไหนเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดเราก็ย้อนไป เราไย้อนไปพิจารณากำหนจดจุเจบไปพิจารณาคลี่คลายดูสมุทัยคือเหตุให้เกิดความทุกข์เดี๋ยวนี้เราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้รับความทุกข์ได้รับความทุกข์ทุกกายเราก็ทุกเนื่องจากว่าเรายึดกายพอ ร, ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกนอกจากทุกกายแล้วเราก็ทุกจิตเนื่องจากว่าจิตมันจรไปจรไปตามอำนาจของกิเลสจรไปนู่นก่อนเจอทุก จรไปนี่ก็เจอทุกทุกอะไรมันไปมันไม่ใช่ไปเฉยเฉมันไปกัดไปเกณฑ์มันจรไปนู้นมันก็ไปกัดเกณฑ์เรื่องนั้นอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นมันจรมานี่มันก็ไปกัดเกณฑ์เรื่องนี้อันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้กับธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบข้างตัวเองกับสัตว์กับบุคคลกับการกับงานกับทุกอย่างสารพัดกับหลักธรรมชาติที่อยู่รอบข้างตัวเองมันไปกัดไปเกณฑ์ไปอัดไปเปลีทั้งหมดในที่สุดเขาก็หอบกองทุกข์เข้ามา ราสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาไม่ได้อยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของใครแต่ใจมีนิสัยชอบที่จะไปบังคับบัญชาสิ่งอยู่รอบข้างตัวเองบังคับบัญชาแม้กระทั่งกายของตัวเองเช่นอย่างร่างกายมันจะแกะ่ไม่อยากให้มันแก่บังคับยังไงจะได้บังคับไม่ได้มันจะต้องเจ็บก็ไม่บังคับไม่ให้มันเจ็บมันจะต้องตายไม่อยากตาย บังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเป็นไปได้ไหมในเมื่อเป็นไปไม่ได้อะไรตามมากองทุกมาเผาหัวใจเนี่ยทุกอันนั้นก็ผิดหวังอันนั้นก็ไม่สมหวังนี่คือกองทุกที่เราได้ประจำํำเนืองท่านเรียกว่าทุกจอดคือความทุกข์ที่ใจมันจอนไปจอนไปอันนั้นก็ผิดหวังกลับมาทุกจรไปอันนี้ผิดหวังกลับมาทุก เพราะกิเลสภายในใจเนี่ยมันพายจอไปแล้วไปกะไปเกณฑ์ถึงเรามาพิจารณาเนี่ยเรามาพิจารณาดูผู้กัปผู้เกณฑ์นี่แหละเพราะผู้กัปผู้เกณฑ์เนี่ยไม่ยอมรับหลักธรรมชาติไม่ยอมรับไม่ยอมรับหลักของสัจธรรมที่มีอยู่ในกายของเราที่มีอยู่ในใจของเราที่มีอยู่นอกจากตัวเราใจไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับสภาวะตามความเป็นจริงเพราะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขามีอยู่จริงเป็นอยู่จริงตามภาวะความมีผลความเป็นของเขาเขามีอยู่ตามภาวะคือความมีความเป็นของเขาคําว่าธรรมธรรมธถ้าเราจะแปลก็คือสภาพที่ส่งไว้ตามความมีของเขาตามความเป็นของเขานี่เราเรียกว่าธรรม เราดูไปรอบข้างตัวเรานี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมมันจะเป็นธรรมหมดแล้วธรรมทั้งนี้แหละคือหลักของสัจธรรมสิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มีความเป็นไปอย่างนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีคติเป็นไปอย่างนี้อันนี้มีคติเป็นไปอย่างนี้เช่นอย่างคติของลมก็เป็นไปตามเรื่องของลมคติของน้าก็เป็นไปตามเรื่องของน้ำคติของไฟก็เป็นไปตามเรื่องของของไฟ มันเป็นไปตามคติของเขามันเป็นไปตามคติของเขาแต่ละขนะแต่ละขนา แ, แต่ละลักษณะแต่ละลักษณะเมื่อเราเข้าใจเรื่องหลักของสัจธรรมแล้วมันก็ยอมรับยอมรับความมีความเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยพุทธเจ้าท่านาย้อนมากำหนดมาพิจารณาเพืเ่อที่จะสาวไปหาสาเหตุต้นต่อที่จะทำให้จิตของเราเ น, น, นี่ยดิ้นรน สาวไปสาวไปสาวไปก็ไปเจอหลักต่อของมันอะคือตันหากามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาดันแยกออกมาเราดูที่ไหนไม่เห็นดอกเราดูไปที่ใจของเราเราเห็นการมาตันหากะทะเยอทะยานเกี่ยวกับเรื่องการการมตันหาภาวะตันหากะเทะเยอทะยานเกี่ยวกับเรื่องพบหรือเรื่องอยากอยากมีอยากเป็นวิภวะตันหาก็คือไปดัดแปลง สิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยกัดเกณฑ์มาเพื่อให้ถูกใจเจ้าของเช่นอย่างร่างกายมันจะต้องแก่แต่ไปไม่อยากแก่เอาความไม่อยากเนี่ยไปไปไ ป, ไปดักแปลง ม, มันทั้งทั้งที่มันคนละเหตุคนละผลร่างกายจะต้องแก่มันเป็นไปตามธาตุอ่เป็นไปตามรูปประธาต์นองมันเพราะร่างกายมันอาศัยธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเหตุทําให้ร่างกายใ้อยู่ได้เจริญวัฒนาถาวรมีกําลังวางชายืนเดินทํานุนทำ น, ทำนี้ได้สารพัดอันนี้คือเหตุของมันปัจจัยของมันสาเหตุต้นตอที่เราได้กายเราก็ได้มาจากพ่อจากแม่คุณสมบัติในกายของเราเราได้ได้ธาตุของพ่อธาตุของแม่บวกกันผสมกัน อาศัยกรรมของจิตที่มาจับมาจองเจริญมัฒนาท้าวรมาเขาออกมาแล้วก็มาหลงครับมาหลงมาหลงรูปธรรมอันนี้ทัทง้งๆที่สมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่เราได้มาจากพ่อมาจากแม่ไม่รู้ว่าเราไปหอบหิ้ว ม, มาจากไหนเราไม่ได้หอบหิ้ว ม, มาจากไหนเป็นของเก่ามาจากพ่อมาจากแม่ในเมื่อสังขารเขามาประชุมกันแล้วเนี่ยเขาก็เป็นไปตามคติของเขา คติของของสังขารก็คืออะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ไปเกณฑ์อีกแล้วแหละอย่าให้เขามีความสุขทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่เป็นไปเพื่อความทุกข์เขามีความเปลี่ยนแปลง<ม>ก็ไปเกณฑ์เขาให้เป็นไม่เปลี่ยนแปลงให้เป็นนิจจังแต่เขาก็เป็นอนิจจังไปกดไปเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เขาเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไ ร, ไ เ, ไรเขาเป็นไปตามภาวะของเขาแต่เรามา เกณฑ์ให้เป็นตนเพราะฉะนั้นเราก็ทุกข์ภาวะอันนี้เป็นภาวะที่มีอยู่จริงพระุทธเจ้าทางที่จึงสอนให้ดูดูมาแล้วจะเห็นเห็นแล้วเราจะยอมรับสภาพอันนี้คือสภาพอย่างนี้เมื่อเรายอมรับแล้วเราก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาเราก็วางไปตามเรื่องของเขาเขาจะมียังไงชอยจะเป็นยังไงเราก็เพียงแต่รับทราบเราไม่ได้ไปทุกข์เราไม่เราไม่ได้ไปจับไปจอง ก็เป็นไปตามภาวะของเขานี่คือหลักของธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมนามาทำภายในจิตของเราเนี่ยที่มันทุบร้อนวุ่นวายไม่ใช่อะไรก็เนื่องจากสมุทัยภายในจิตนั่นแหละมันมายุใหญ่ก่อกวนให้เราได้รับความทุกข์ทุกทุกขนาดจิตที่ส่งออกไปนั่นแหละส่งไปเรื่องนั้นส่อไปส่อมาส่อมาสอมได้รับความเพลินใจนิดหน่อยเจอทุกข์กลับมาแล้วเลือดศาสตร์เข้ามาแล้ว ส่องไปส่องไปสาะไปสาะไปไ ป, ไปเจอเรื่องนั้นโอ้ยแป้วใจแล้วคนนั้นดูถูกเราคนนั้นเหยียดเหยียดยามเราคนนั้นด่าเราคนนั้นตัดหน้าเราเนี่ยเห็นไหมแบกกองทุกข์เราใหม่แล้วโดวยปกติของจิตที่เป็นไปด้วยอํานาจของสิ่งในภายในจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นคือไม่ไม่ยอมรับตามคติความเป็นไปของมัน เมื่อเราทราบว่าเหตุผลของกายไปอย่างหนึ่งเหตุผลของใจไปอีกอย่างหนึ่งเราก็พอจะสงบจิตสงบใจยอมรับภาวะตามความเป็นจริงของกายยอมรับตามภาวะความเป็นจริงของจิตเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาจนได้รอบพิจารณาจนจนได้ที่ ได้เป็นเกิดปัญญาญาขึ้นมามีความน้อมใจเชื่อร้อยเปอรเซนโอวานิจังโอทุกขังโออนัตตามีความน้อมใจเชื่อร้อยเปอร์เซตเราก็ปล่อยกายได้เราไม่ปล่อยมก็ปล่อยโดยอัตโนมัตินึง่งเจ้ว่าเรารู้เราเข้าใจมันเราปล่อยกายได้ความเป็นไปของจิตเราพยายามสอบไปเรื่อยสอบไปเรื่อยสอบเรชักไปเรื่อยชักไปเรื่อยจนหมดตัวที่เป็นพิษเป็นภยัยภายในใจ อันนี้เป็นทางตรงที่พุทธเจ้าท่านทรงสอนเป็นทางสายกลางไม่ใช่อัตติกรรมมันธนโยคประกอบตนให้ให เ, เหน็ตเนยเปล่าไม่ใช่การมาสุคานิการโยคหมกมุ่นในกามแต่เป็นทางสายกลางและก็สามารถต่อกร ก, ก, กันกับสิ่งที่เป็นปฏิปัติกับความเกิดกับการเกิดกับการแก่กับการเจ็บกับการตาย สามารถทราบได้ว่าผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์เราก็ย้อนไปพิจารณาด้วยสติ ด, ด้วยปัญญาพยายามคลี่คลายสิ่งที่เคลือบแฝงมากับจิตออกได้สิ่งที่เคลือบแฝงมากับจิตคืออวิชชาพระเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรท่านใช้คําว่าอนิจฯอวิชชาวิชาอาวิชาาวชามันไปเกาะที่จิตถ้าเราจะพูดภาษาเราเราก็คือจิตโง่ไม่รู้ภาวะภาวะของตัวเองก็ไม่รู้ ไปยึดนุ้นยึดนี้เกาะ น, นุ่นเกาะ น, นี้ภาวะของสิ่งที่เราไปยึดก็ไม่รู้ไม่เข้าใจคือจิตโง่ทีนี้เมื่อเราเข้าถึงภาวะย้อนไปย้อนไปรู้ภาวะแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากความลุ่มหลงหลงจากการที่เราไปยึดไปถือจากอวิชชาก็กลายเป็นวิชชาขึ้นมาเหมือนอย่างที่ท่านบอกอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดขึ้นมาเพราะว่า ท่านตั้งไว้ที่อวิชชาแต่อวิชชาตัวนี้แหละมันไปเกาะที่จิตเหมือนอย่างที่หลวงปูม่มันท่านว่าทีติภูตังทิฏฐิภูตังเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานของอวิชชาก็คือผู้รู้คือา่ารู้ท่ารู้ไม่โดดไม่เด่นไม่เป็นอิสระไม่เป็นเอกเทศเป็นสักเป็นท่ารู้ที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่เคลือบสิ่งที่แฝงเข้ามา สิ่งเหล่านั้นถ้าเราชี้ไปให้ชัดก็คือความที่จิตไม่ฉลาดรอบรู้ในภาวะของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้คําว่าอาวิชชาอาวิชช า, าเมื่อเรสองไปเราส่องไปจิตเราสว่างสวยัยก็กลายเป็นวิชาตอนที่ยังไม่สว่างอาวิชชามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดสังขารเกิดวิ ญ, ญญาณเกิดนามรูปเกิดอะไรมาจนเกิดทุกขโทมานัสสัพยญาตเป็นเส้นเป็นสายแต่ตอนที่เราย้อนไปย้อนไปย้อนไปสามารถดับอวิชชาได้ก็ สังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับดับดับคำว่าดับในที่นี้คือความอยากมันดับกิเลสมันถูกลบเลือนลางจางหายไปหมดจากดวงจิตดวงนั้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อชาระเพื่อขัดเกลากิเลสตัณหาอาสวะที่มีอยู่ภายในจิตของเราเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่พระัญญาโคนทัญญาเนยได้เข้าถึงธรรม จะเจ้าท่านสอนให้เอาธรรมะเข้าไปสู่ใจแล้วก็ตั้ง อ, อกตั้งใจฟังพระัญญาคกณทัญยักได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือเป็นผู้เข้าถึงกระแสของธรรมเข้าถึงกระแสธรรมแล้วจิตดวงนั้นเนี่ยจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยพัฒนาไปตามกระแสของธรรมนั่นแหละไปตามกระแสของธรรมเหมือนน้ํา แม่น้ำสายต่งตางๆเนะี่ยไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปจนถึงมหาสมุทรไม่ไปไหนไปลงที่มหาสมุทรไม่ไปรวมกันที่ไหนไปรวมกันที่มหาสมุทรเพราะฉะนั้นท่านถึงใช้คำว่ากระแสกระแสก็การพัฒนาของจิตดวงนั้นเนี่ยจะพัฒนาไปเรื่อยอย่างชา้าที่สุดไม่เกินเจ็ดชาติอย่างเร็วที่สุดก็คือเอกภพชี K P G, ไปเกิดอีกพักเดียว อย่างเร็วที่สุดเราได้ในอัตภาพนี้เราไปจบในอัตภาพนี้นี่เพราะว่าเรื่องบุญบารมีภายในใจนั้นเราทราบไม่ได้ว่าเราท่านใครมีบุญบารมีมากน้อยเห็นแต่ว่าเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังอัดธรรมมีโอกาสศึกษาธรรมมีโอกาสปฏิบัติธรรมและมีโอกาสเหมือนเหมือนกันเราจะว่าเรามีบุญบารมีมากน้อยกว่ากันได้ มากน้อยเท่าไหร่อยู่กับความอุตสาห์พยายามกับความสามารถของเราเท่านั้นเองที่เราจะใช้ความที่เราจะใช้โอกาสตะตัวงเอาให้เต็มอิ่มเต็ให้เต็มที่เพราะฉะนบารมีอันนี้เราต้องสร้างเอาเราต้องทําเอาโอกาสอันนี้เราต้องทําเอาอนี่คือข้อปฏิบัติเพื่อชาระ ก, กองทุกข์ให้หมดไปจากใจน่าเลยนะน่าจะพอสมควรแก่เวลาละ ได้พูดหนละักปฏิบัติพอเข้าใจจับได้ช่วงไหนพอเอาไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์ได้ก็เอาไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์อันนี้เพื่อเพื่อความสุขทางด้านจิตใจเอาอาหารคือธรรมะเข้าสู่จิตใจและเพื่อความสุขของใจเพื่อก า, ารยบย่บสลายไปของกิเลสตันหาอาสวัภายในหัวใจเราก็จะประสบความสุขความเจริญ อ่าพอสมควรแก้ไม่าและนะ้ว